ในลำดับต่อไปนี้จะนำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศมาสดาผู้ตััสรู้รมความรู้ที่ยากต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่จะรู้ได้ เป็นความรู้ที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราต่อความสุขความทุกข์ของพวกเราเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องของเราเองที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรามาเกิดกันได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรานั้นไม่ได้เป็นความจริงเลยเช่นร่างกายของเราเราคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราเลยเป็นเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง ที่เราไปซื้อมาจากร้านแล้วเราก็เอาตุก๊กตานี้มาเล่นร่างกายของเรานี้มันเป็นตุก๊กตาที่วิเศษกว่าตุก๊กตาที่เขาขายกันตามร้านเป็นตุก๊กตาที่เราสามารถสั่งให้มันพาเราไปทำอะไรต่างๆได้สั่งให้มันพาเราไปเที่ยวพาเราไปดูไปฟัง ไปกินไปดื่มไปทำอะไรต่างๆได้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้นเองเรากลับไปคิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราพอเวลามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจกันขึ้นมา เกิดความหวาดกลัวเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจกันขึ้นมาเช่นเวลาที่เราไม่สบายโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเป็นโรคร้ายเช่นเป็นโรคมะเร็งพอร่างกายันนี้ไม่สบายพาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง รักษาอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้ห้าสิบห้าสิบพอเราได้ยินอย่างนี้ความทุกข์ต่างๆจะปรากฏขึ้นมาในใจทันทีทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเราทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บ มันจะต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของเราที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ได้คิดว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บมันต้องตายพอมาเจอความจริงเราก็เศร้าโศกเสียใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเคยมีชีวิตที่วาพอมาทราบว่าร่างกายจะต้องเป็นอะไรไปเทั้งนั้นความมีชีวิตทิวาของจิตใจนี่หายไปหมดกลายเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นคนเสืมเศร้าขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้จัก อะไรว่าเป็นอะไรนั่นเองเราเราไปหลงกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราว่าเป็นเราเราไปหลงว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรานั้นเป็นของชั่วคราวเราไม่รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันพอเรามาเจอความจริงเข้าใจเลยรับไม่ได้ใจเลย กลายเป็นใจที่มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงต่างๆที่เราควรจะรู้กันนั่นเองถ้าเรารู้ความจริงต่างๆที่เราควรจะรู้เราจะไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆ กับการเป็นอะไรไปต่างๆของร่างกายของเราถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้เรื่องของเราและเรื่องของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่ามันเป็นคนละอย่างกันเราเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องนั้น เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นร่างกายที่เรามาเกี่ยวข้องนี้เป็นร่างกายที่เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งส่วนเราที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆให้พา เราไปหาความสุขต่างๆด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราสิ่งต่างๆที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรานั้นได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ลาบได้แก่ยศได้แก่สรรเสริญได้แต่ได้แก่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใจคือเรานี้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราไม่รู้จักธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีพอเรารู้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเราเลยไม่พร้อมที่จะไปรับกับความจริงของเขาอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้กัน เรามักจะรู้แต่ฝ่ายดีของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยฝ่ายที่ให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้ว่าเขามีอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่จะให้ความทุกข์กับเราอันนี้เราไม่รู้กันพอเราไปเจอฝ่ายไม่ดีเขา้าเราก็รับไม่ได้ เราก็ทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยครบถ้วนบริบูรณ์เรารู้เพียงครึ่งเดียวของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็เลยถูกหลอกเหมือนกับถูกหลอก พอเราไปเจอความจริงของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็เหมือนกับถูกความจริงนั่นกัดเอาเช่นเราไม่รู้เรื่องของงูพิษว่าชนิดไหนเป็นงูพิษชนิดไหนไม่เป็นงูพิษเรารู้เพียงแต่ว่างูนี้ เ, เป็นเหมือนปลาไหลเป็นปลาเป็น สิ่งที่เราเอามารับประทานได้เราก็เลยไปจับปลาไหลกันแต่บางวันเราไปจับปลาที่จับงูพิษเข้าแทนจับปลาไหลเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นปลาไหลพอไปจับงูพิษเข้างูพิษก็กัดเราเราก็จะต้องเจ็บปวดรวดแล้วทรมาน ถ้าเป็นน่างกายก็อาจจะตายได้ น, นี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูพิษไม่ใช่ปลาไหลแต่เราไปคิดว่ามันเป็นปลาไหลเพราะมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายกันมันเลื้อยคลานเหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองไม่ครบถ้วนบริบูรณ์สิ่งที่เรามองเราเรามองแต่ด้านที่ดีของเขา เราไม่ได้มองด้านไม่ดีของเขาเราก็เลยถูกหลอกเพราะว่าเวลาเราไปเจอด้านที่ไม่ดีแทนที่เราจะได้สิ่งที่ดีจากเขาเรากลับได้สิ่งที่ไม่ดีจากเขานั่นเองเรามองเห็นว่าราบยศสรรเสริญมองเห็นว่ารูปเสียงกิ่นรพทลตถาภา จะให้ความสุขกับเราเราก็เลยไปหากันไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภะกันเวลาที่เขาเอาฝ่ายที่ดีออกมาให้เราได้เห็นเราก็ได้ความสุขกันเวลาเราได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสมา เราจะมีความสุขดีอกดีใจกันแต่พอเวลาที่ด้านที่ไม่ดีของเขาปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นมันก็กลับเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปเวลาที่เราเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสระเสริญเสื่อมความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัณเวลานั้นความสุขที่เรา ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี้จะหายไปหมดสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความเศร้าโศกเสียใจเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยที่เราไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับเราแต่เขาเป็นสิ่งที่มีทั้ง ฝ่ายดีแล้วฝ่ายไม่ดีอฝ่ายดีเราเรียกว่าเจริญเวลาที่เราได้เห็นราบยศสารเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเจริญเราก็มีความสุขกันแต่เราไม่เห็นเวลาที่เขาเสื่อมกันพอเวลาเราไปเจอความเสื่อมของราบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่คือสิ่งที่เราขาดคือความรู้อีกด้านหนึ่งของสิ่งต่างๆที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากลาบยศสารเสนแล้วเราก็มาเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราอีกด้วยที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะเราต้องมีร่างกาย ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเราถึงจะสามารถหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราได้แล้วร่างกายเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันแนะ่เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราจะเป็นร่างกายที่ จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะสามารถทำลายตามที่เราสั่งได้เสมอแต่เราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเขาสามารถที่จะรับใช้เราได้ในระยะแรกๆพอเวลาเขาเข้าสู่บ้านปลายของชีวิตเขาจะไม่สามารถที่จะรับคำสั่งของเราได้ ทำตามคำสั่งของเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายนี่ร่างกายจะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขมาให้กับเราได้พอเขาไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้สิ่งที่เราได้ก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆ ความทรมานใจนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือพวกเราขาดข้อมูลขาดความรู้ที่จะมาปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้เศร้าโศกเสียใจถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วใจของเราจะได้รับการคุ้มครอง จากความทุกข์ต่างๆใจผู้ที่มีความรู้และรู้จักวิธีปฏิบัติกับความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจะสามารถปกป้องจิตใจไม่ให้พบกับความทุกข์ต่างๆได้เลยนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คือเราจะได้ร ja, ับความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นความปลอมความรู้ที่พวกเราได้อยู่ตอนนี้มันเป็นความรู้ที่เป็นความปลอมเราไปรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราเราไปรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อย จะไม่มีวันจากเราไปเราไปรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เราเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตานี้เองเวลาเราเห็นอะไรเราได้สัมผัสกับอะไรเรามีอะไร เราจะคิดว่าเป็นนิจังสุขขังอัตตากันพอเราคิดว่าเป็นนิจังสุขขังอัตตาเราก็จะไปครอบครองสิ่งนั้นทันทีหรือบุคคล น, นั้นทันทีถ้าเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือนิจจังก็คือเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรน ได้มาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ความสุขเราไปตลอดเวลาเป็นของเราไปตลอดเวลาอันนี้คือพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดของพวกเราต่อสิ่งต่างๆความรู้ของพวกเรารู้อย่างนี้เราไปรู้ว่ า, าราบยศสรรเสริญ เราไปรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตากันแล้วเราจึงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันแล้วในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมาทุก์กับลาบยศสรรเสริญมาทุก์กับรูปเสียงกลพพิ่นรสผลภะ มาทุกกับร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการใช้ในการหาความสุขต่างๆจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาะนั่นเองเพราะความเป็นจริงของลาบยศสารเสริญของความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาความจริงของร่างกายของพวกเหานี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมันเป็น ตรงกันข้ามกับความจริงที่เราคิดกันความจริงที่เราคิดกันเราคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ความเป็นจริงของเขามันตรงกันข้ามกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่นิจจังมันเป็นอนิจจังมันไม่สุขขังมันเป็นทุกขังมันไม่เป็นอัตตามันไม่มันเป็นอนัตตา นี่แหละคือความจริงที่พวกเราไม่มองกันไม่รู้กันหรือไม่เห็นกันหรือไม่มีใครบอกกันพวกเราก็เลยต้องมาเจอความทุกข์กับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผธพะกับร่างกายของพวกเราหรือกับตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเราไปได้ข้อมูลผิดมา เราไปได้ข้อมูลว่ามันเป็นนิจังสุขขังอัตตาแต่ความเป็นจริงมันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาออ น, นิจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จรังถาวรมีเกิดได้ก็มีดับได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีขึ้นก็มีลงมีมาก็มีไปมันจะเป็นอย่างนี้สลับกันไป ขึ้นนลงงไปๆมาๆเกิดๆดับๆแต่ใจของเรานี้ไปผูกไว้ที่คำว่าว่านิจจังคือถาวรได้อะไรแล้วมันจะต้องได้อยู่เรื่อยๆถ้ามีก็ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไปถ้าเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะไม่เป็นของเรา ท้าให้ความสุขกับเรามันก็จะต้องให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความเท็จไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของสิ่งต่างๆทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันทั้งนั้นร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อั น, นิจจังก็คือเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าอ น, นิจจังร่างกายมันมีวงจรของมันที่มันจะต้องเดินไปมันมีทางของมันที่มันจะต้องดำเนินไปไม่มีใครไปเปลี่ยนเส้นทางการเดินของร่างกายนี้ได้พอเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็จะเริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็ไปเป็นคนแก่คนชรา เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นคนตายไปในที่สุดแล้วก็สลายกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มามาจากไหนก็กลับไปสู่ที่นั่นที่ร่างกายจะกลับไปก็คือไปสู่ดินน้ำลมฟันั่นเองเพราะที่มาของร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ แต่มันไม่ได้มาแบบดินที่เราเห็นกันมันมาในรูปของตัวแทนของดินเช่นข้าวนี่เป็นตัวแทนของดินผักนี่เป็นตัวแทนของดินเรากินข้าวกินผักเราไม่กินดินเพราะเรากินดินไม่ได้เราต้องกินข้าวกินผักกินตัวแทนของดินดินที่แปลงสภาพจากดินที่เรากินไม่ได้มากลายเป็นดินที่เรากินได้ ก็คือพวกผักพวกข้าวเป็นต้นและของที่ผลิตจากผักกับข้าวอีกทีก็คือพวกสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็มาจากผักกับข้าวนี่แหละจากผักจากข้าวที่สัตว์ไปกินไปรับประทานสัตว์ก็กินหญ้ากินอะไรกินข้าวแล้วมันก็มาแปลงเป็นเนื้อสัตว์แล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์มากินอีกทอดหนึ่ง มันก็มาจากดินที่ผสมกับน้ําผสมกับลมผสมกับไฟมันจึงทําให้เป็นเป็นข้าวเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมาพอเราเอาเข้ามาในร่างกายของพวกเรามันก็มากลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกลราค้นหาในร่างกายเราดูนีมันมีแค่อาการสาสบสองใหญ่ๆนี้เท่านั้น อาจจะมีอาการเล็กๆที่เราไม่ได้พูดถึงกันบ า, บ, าบางสิ่งบางอย่างแต่ที่เราพูดนี่เป็นอาการอาการหลักอาการที่ประกอบให้เป็นร่างกายขึ้นมาอาการหลักๆนี้มีอยู่32อาการมีที่ส่วนเป็นส่วนที่แข็งกับส่วนที่เหลวเช่ น, นพวกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ย หรือพวกตับไตหัวใจปอดลำไส้เป็นอาการที่เป็นส่วนแข็งส่วนอาการที่เป็นส่วนเหลวก็พวกน้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประกอบขึ้นมาทำให้เป็นร่างกายขึ้นมาถ้าเราลอง แยกชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกมาเราจะไม่พบเลยว่าส่วนไหนที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเราไม่มีตัวเราไม่มีในร่างกายนี้ตัวเรานี้มันอยู่ในความคิดของเราอยู่ในความรู้สึกของเราที่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ที่ใจที่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนกับร่างกาย มันไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้เราก็เลยไปหลงคิดว่าความรู้สึกนึกคิดนี้มาอยู่ที่ร่างกายมามาจากร่างกายแต่เราไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนของร่างกายเราก็ไปหลงคิดว่ามันมาจากสมองสมองมันก็เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งเป็น เป็นเหมือนกับปอดเป็นเหมือนกับหัวใจแต่เราไปคิดว่ามันเป็นที่มาของความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนี้องค์ส่งคนพบว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี้มันไม่ได้มีอยู่ในร่างกายมันอยู่อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราจะสามารถไป ถ่ายภาพมาดูได้เหมือนกับร่างกายแต่สิ่งที่เราจะสัมผัสรับรู้กับใจได้นี้ต้องเกิดจากการที่เรานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเราจึงจะสามารถแยกร่างกายแยกจิตใจออกจากร่างกายได้แล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันมารวมตัวกันก็ตอนที่มีการตั้งคันมีมีการปฏิสนธิอยู่ในคันของมารดาพอมีร่างกายขึ้นมาจิตใจที่ไม่มีร่างกายที่เร่ล่อนรอหาร่างกายอยู่ที่เรียกว่าดวงวิญญาณจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเราจะเปลี่ยนชื่อ เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณพอจิตใจได้มาแต่งงานกับร่างกายเราก็จะเรียกว่าจิตใจเหมือนกับสุภาพสตรีเวลาที่เป็นโสดเราก็เรียกว่านางสาวพอเวลามาได้สามีได้แต่งงานเราก็เรียกว่านางเป็นการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองแต่จิตใจกับดวงวิญญาณ น, นี้เป็นอันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกัน เปลนสถานภาพจากการเป็นโสดมาเป็นเป็นผู้มีคู่สมรสนีจิตใจเวลามาครอบครองร่างกายก็เป็นเหมือนมาแต่งงานกับร่างกายเป็นสามีเป็นพันธยากันจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกายเป็นผู้รับคําสั่ง ใจบอกให้ไปเปิดตู้เย็นร่างกายก็เดินไปเปิดตู้เย็นใจบอกให้เอาขนมออกมาจากตู้เย็นร่างกายก็หยิบขนมออกมาจากตู้เย็นใจบอกให้เอาขนมเข้าปากให้เคี้ยวให้เกืนร่างกายก็ทําตามคําสั่งของใจและเวลาได้เคี้ยวได้รับประทานได้สัมผัสกับรสของอาหาร ใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขที่ใจจากการได้สัมผัสรสของอาหารจากการได้สัมผัสกับกินกับรูปของอาหารนี่คือจิตใจที่เป็นผู้ที่มาครอบครองหรือมาแต่งงานกับร่างกายมาเป็นสามีของร่างกายร่างกายเป็นเหมือนภรรยา ต่วนจิตใจนี่เป็นเหมือนสามีเวลาที่เป็นโสดเวลาที่ไม่มีภรรยาเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่ได้แต่งงานได้มีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจนี่แหละคือความจริงที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเรามาศึกษาแล้วเราจะได้ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันนี่เราจะได้เลิกไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราจะได้คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับคนรับใช้เราเท่านั้นเองอเป็นคนรับใช้ที่เขามารับคําสั่งจากเราเป็นคนรับใช้ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาแก่นี่เราพอจะกำหนดเวลาได้เพราะความแก่นี้มันมีเวลาของมันแต่เวลาเจ็บนี่มันไม่มีเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่นี้เราไม่รู้กันเวลาตายก็ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ร่างกายที่เกิดมาแต่ละร่างนี้มีการเจ็บมีการตาย แทบได้ทุกเวลาเลยเด็กบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายไปก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปภายในวันหนึ่งก็มีบางคนก็อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันบางคนก็อยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนบางคนก็อยู่ไม่เกินหนึ่งปีบางคนก็อยู่ไม่เกินสอนงอปีงไปล่ไปตามลำดับถ้าเราดูสถิติของร่างกายแล้วนี้ เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีการเจ็บมีการตายได้ทุกระยะเวลาเลยนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ใจหรือเรานี่มาเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นเราเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์มากเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาที่มันตายไปที่ทุกข์เพราะอะไร ทุกพ่อเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยทุกพาะเราไม่อยากให้มันตายเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายนี้มันไม่ผลิตความสุขให้กับเรานั่นเองร่างกายจะผลิตความสุขให้กับเราหรือไปหาความสุขให้กับเราได้ต้องเป็นร่างกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นร่างกายที่ไม่ตายพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตาย มันจะไม่สามารถไปหาความสุขให้กับเราได้เราจึงไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราจึงไม่อยากให้มันตายกันความอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้มันตายนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้สรงค้นพบ ว่าใจนี้สามารถอยู่กับร่างกายอย่างไม่ทุกได้ถ้าไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ของใจที่เกิดจากการมาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เกิดจากการที่ใจไปมีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เราให้มารับใช้เราแต่เขามีเงื่อนไขของเขาเขามีกรอบของเขาเขาจะรับใช้เราได้ในช่วงที่เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ในช่วงที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายนี้เขาขออนุญาตว่า ของดการรับใช้ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกตอนที่เราได้ร่างกายมาเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้เหมือนกับเรารู้ว่าคนใช้ของเรานี้เขาต้องมีวันหยุดเนี่ยเขาหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เขาต้องไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้างพอถึงวันนั้นเราก็ปล่อยเขาไป เราก็ไม่ทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดเขาไปหยุดวันที่เราไม่ได้ไปคิดว่าเขาควรจะหยุดนี่เราจะไม่สบายใจขึ้นมา ท, าทันทีเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้เขาหยุดในวันนั้นเองเนวันทำงานของเขาอยู่ดีๆเขาราป่วยขึ้นมาพอเขาลาป่วยงานที่เขาทำให้เราเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเพอเขาไม่ทำให้เราใครต้องมาทำอนะ ก็เราเนี่ยต้องมาทาเราก็เลยเดือดร้อนเราก็เลยไม่สบายใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากจะทำงานของเขาเราอยากให้เขาทำงานให้กับเราอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นสาเหตุที่เราทุกข์กับร่างกายเาเพราะว่าเขาไม่สามารถมาทำงานให้กับเราได้นั่นเองเขาไม่สามารถไปหาความสุขให้กับเราได้ เพราะความสุขของเรานี้ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหามาให้กับเราพอเราไม่มีร่างกายหรือร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะหาความสุขให้กับเราได้ร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วนอนต้องนอนมันเจ็บมันปวดลุกไม่ขึ้นทําอะไรไม่ได้ดังนั้นเราต้องการความสุขจากลาบยศสัดละเสริญ เราต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราก็ไม่สามารถหามาได้เพราะเครื่องมือคือร่างกายเขาไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาได้เราเลยไม่อยากให้เขาเจ็บเราเลยไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาตายแต่เราไปห้ามความจริงของร่างกายไม่ได้ร่างกายเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเรารู้ความจริงเหล่านี้เราจะสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาแก้ไขปัญหาคือความไม่สบายใจต่างๆของเราได้หนึ่งถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นของเรานี้เราจะกาจัดความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายได้หมดเราจะไม่กลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร เพราะเรารู้ว่าเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรนี้เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย น, นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราเราจะสามารถที่จะเอาความรู้น oney, ี้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่ตังวลไม่วิตกไม่หวาดกลัวไปกับความเป็นความตายของร่างกายเลยสองถ้าเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเราต้องรู้ว่า ร่างกายเขามีวันหยุดทำงานเหมือนกับคนรับใช้เขามีวันหยุดทำงานวันที่คนรับใช้เขาหยุดทางานเราก็ต้องเตรียมตัวทำเองเช่นแม่ครัวไม่อยู่เข า, เ, าเขาหยุดทำงานเราก็ต้องหาวิธีที่จะมี อ, อาหารมาให้เรารับประทานเช่นเราอาจจะให้สั่งให้เขาทำไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น หรือถ้าไม่มีตู้เย็ยนไม่ได้ไม่อยากจะ ก, กิจของเก่าเราก็ต้องมีวิธีหาอาหารใหม่เช่นเราก็อาจจะไปสั่งร้านอาหารหรือสั่งไข่ให้เขาเตรียมทำอาหารหรือไปจ้างคนใช้มาทำงานแทนวันวันหยุดของคนใช้ก็ได้้เราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่คนรับใช้เราเขาไม่ทำงาน แต่ปัญหาของร่างกายของเรานี้เราไปหาร่างกายของคนอื่นมารับใช้ให้เราไม่ได้มาใช้แทนร่างกายเราไม่ได้ถ้าเราต้องการหาความสุขนี้เราต้องหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายซึ่งเราก็ไม่รู้อีกละ ว, ว่าเราสามารถที่จะหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าเรามาได้ฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้ความรู้อันนี้เพิ่มเติมอีกข้อนึงเราจะรู้ว่าเรานี้สามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เองความสุขที่มาทำใจให้สงบกันด้วยการนั่งสมาธิด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสติพอเรา รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เวลาที่ร่างกายเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเราก็ยังสามารถมีความสุขได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของเขาเพราะเราจะไม่ได้มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรารู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ร่างกายก็ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความจริงของร่างกายเราก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะไม่เกิดขึ้นมากับใจ อันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะได้พัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการหาความสุขของเราให้เป็นความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างแท้จริงความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่แท้จริง เป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ปรับวิธีการปฏิบัติของเราต่อสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติ การอยู่ในขณะนี้การปฏิบัติของเราในขณะนี้มันเป็นการปฏิบัติเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้สร้างความสุขให้กับใจของพวกเราเพราะเราไปคิดไปว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองเพราะว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นอนิจจังแล้วเวลาความสุขมันหายไปมันก็จะกลายเป็นทุกข์ขังขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นมามันจะไม่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันไป ไม่จากไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเราเห็นกันอยู่เหตุการณ์เหล่านี้เราเห็นกันบางทีเราสูญเสียคนนั่นคนนี้ไปสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันไปแต่เราไม่เอามาเป็นบทเรียนพอเหตุการณ์ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วเราก็ลืมว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาสิ่งใหม่ๆมาให้เราทุกขกันใหม่อีกแต่ถ้าเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหามาให้ความสุขกับเรานี้ไม่มันจะให้ความสุขเราได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็จะต้องมีการพัดพาคจากกันไป ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะได้เลิกหาความสุขแบบนี้กันมาหาความสุขที่ไม่มีการพัดภาคจากกันจะดีกว่า mm hmm. ก็คือมาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบกัน mm hmm. นี่เป็นสิ่งที่เราจะมีการปรับปรุงแก้ไขวิถีชีวิตของพวกเราให้กลายเป็น วิถีชีวิตที่มีแต่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขชั่วคราวเราจะเปลี่ยนจากความสุขไปเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่เกิดการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสัรลเสริญรูปเสียงกิ่ดลดผลถะพระเวลาที่เขาเสื่อม ความสุขที่เฮาให้กับเรามันก็จะเสื่อมหมดไปพอมันเสื่อมหมดไปมันก็จะทำให้เรามีแต่ความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผดเถภามันก็จะต้องเสื่อมลงไปมันจะต้องมีวันเสื่อมพอเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกัน แต่ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าว่านีเคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเดินไปในทางนี้ถ้าเราเดินไปในทางลาบยศสรรเสริญเดินไปในทางรูปเสียงกลิ่นลดผลเถพภเดินไปในทางร่างกายเราใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเสื่อมหรือมันจะต้องหมดเวลาร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายแก่ ร่างกายก็จะหมดความสามารถที่จะหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลพภามาให้กับใจได้ถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นและเรารู้ว่ามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายที่ไม่ต้องอาศัยลาบยศสารเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นลดผลพะแล้วก็ เปลี่ยนมาหาความสุขแบบแบบแบบใหม่นี้จะดีกว่าเพราะถ้าเราสามารถรู้จักวิธีหาความสุขแบบใหม่นี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่สามารถหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลถะมะมาให้ความสุขกับเราได้หรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของมันได้ เราก็ยังสามารถหาความสุขได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการมาฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เองที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ท่งค้นพบแล้วทรงนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเถิดอย่าหาความสุขจากลาบยศเสรเสรจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเลยเพราะว่า ไม่ไม่ไม่วันใดวันหนึ่งเราจะไม่สามารถหามันได้นั่นเองหรือเราอาจจะมีความสามารถแต่หายัางไงก็หาไม่ได้เช่นเงินทองนี้ไม่ใช่ว่ามันจะหามาได้ง่ายๆเสมอไปถ้าอยู่ดีวันดีคืนดีเกิดตกงานตกการขึ้นมาหรือถ้ามีบริษัทก็เป็นบริษัทที่ขาดทุนต้องปิดบริษัทไป แล้วรายได้เงินทองต่างๆมันจะมาจากที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของของมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มาหาสิ่งที่มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ดีกว่าเลย สิ่งที่แท่งแท้แน่นอนก็คือความสุขที่เราจะได้จากการที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราเนี้ถ้าเราสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เราก็จะได้รับความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่เราจะสามารถควบคุมได้สามารถรักษาให้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาได้ให้อยู่กับเราไปตลอด ให้เป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราได้ตลอดถ้าเราสามารถสร้างความสุขแบบนี้ได้แล้วเวลาราบยศสรรเสริญเวลารูปเสียงกินลสผลพระเสื่อมหรือจากเราไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายจะตายนี้เราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลย เพราะเรายังมีความสุขได้จากการควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้เห็นวิธีการหาความสุขของเราว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่ถูกถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกเพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราจะได้หยุดหามัน แล้วเราจะได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ถูกความสุขที่จะวิธีที่จะให้เรามีแต่ความสุขไปตลอดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดีมันจะไม่สามารถที่จะมาะทำลายความสุขที่เราหาได้จากการมา อบรมจิตใจของพวกเราให้อยู่ในความสงบกันเนี่ยนีคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าเรากำลังเดินไปในทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์เราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางเดินเหมือนเวลาเราเดินทางกับรถยนต์ไปแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งจะมีป้ายบอกว่าอันตรายข้างหน้าถนนขาด พอเราเห็นป้ายอย่างนี้เราก็รู้ว่าไปทางนี้ไม่ได้แล้วเพราะถ้าไปเดี๋ยวก็ไปเจอถนนขาดถ้าวิ่งต่อไปก็ต้องตกออกจากถนนไปจะไม่ปลอดภัยจะไม่พาพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เราก็ต้องถอยกลับเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางเวลาเขาเขียนป้ายเขามักจะมีป้ายบอกทิศทางใหม่ให้กับเรา ว่าทางนี้ไปไม่ได้ให้ไปทางหนึ่งให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา อ, อ, อย่าทางตรงนี้ไปไม่ได้แล้ว อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนป้ายบอกทางบอกให้เรารู้ว่าทางที่เรากำลังเดินไปนี้จะนาไปสู่ความเสียหายนาไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติต่างๆอย่าไปทางนี้ ให้เราเปลี่ยนทางกันให้ไปอีกทางหนึ่งให้ไปในทางของศีลสมาธิปัญญาตอนนี้เรากำลังไปในทางของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันซึ่งเป็นทางตันเป็นทางที่ขาดจะพาให้เราไปไม่ถึงความสุขที่ถาวรที่แท้จริงได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้ต้องไปในทางของศีลสมาธิปัญญา ถ้าเรารู forth, ้แล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเราก็ต้องไปทางศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเราก็ต้องมาหัดรักษาศีลกันแล้วเรารักษาศีลห้ากันได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปทางที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นนิจจังสุขขังอัตตาที่แท้จริงเราต้องมาหัดรักษาศีลกันให้ได้ รักษาศีลห้าให้ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆอนอกจากสุราแล้วก็จะยังต้องละเว้นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืน เที่ยวดูของเล่เล่นต่างๆดูมอหรลศพบันเทิงต่างๆละเว้นจากความเกลียดคร้านละเว้นจากการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะว่าการกระทําเหล่านี้จะทําให้เราไม่ช้ากระเร็วจะต้องไปทําบาปต่อไปถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องละเว้นอบายามุขก่อนถ้าเราไม่เสพอบายามุขแล้วโอกาสที่เราจะทําบาปนี้ จะน้อยมากแต่ยังไม่หมดมีโอกาสที่ยังทำบาปได้เพราะเหตุที่จะทำให้เราทำบาปนี่มันมีหลายเหตุด้วยกันอบายามุกก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหตุอย่างอื่นก็คือเวลาขาดสติเวลาจิตขาดสติรู้กแก่ความโลกความโกรธความหลงนี้ก็อาจจะไปทำบาปได้เช่นเวลาใครเขาทำให้เราเสียอกเสียใจมากๆเราก็อาจจะโกรธอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ ตามันไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ถ้าเราเสพอบายามุกนี้มันจะเราจะเสพ บ, บ่อยเมื่อเสพ บ, บ่อยแล้วมันจะทําให้เราต้องไปทําบาปได้ง่ายได้บ่อยพระพุทธเจ้าเลยสอนให้พวกเรามาละการกระทําบาปทั้งปวงก่อนละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกโกหกมัดเทศละเว้นจากการเดิมสรารยาเมาและ การเสพอบายามุขต่างๆแล้วเราจะปลอดภัยแล้วจะทําให้เราไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําที่เสียหายต่างๆแล้วจะทําให้เราสามารถที่จะละเว้นหรือรักษาศีลให้เพิ่มให้มากขึ้นได้พอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ต้องรักษาศีลแปดต่อไป เพราะถ้าเราอยากจะทําใจให้สงบนี้เราต้องระ ง, งับกิจกรรมทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองก็คือการไปเสพกลามไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถะะหรือการไปหาลาบยศสารเสริญเราจะหยุดกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันมเป็นทางที่นําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราต้องการจะไปทางที่นําไปสู่ความสงบ เราต้องมีศีลที่สูงขึ้นจะกว่าศีลห้าแต่ตอนต้นเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เราจะขึ้นสู่ศีลแปดไม่ได้เหมือนเรียนหนังสือถ้าเรายังไม่จบระดับมัธยมเราจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นขั้นไปเราก็เลยต้องมารักหัดรักษาศีลเป็นขั้น ถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศี่ห้าได้แล้วก็ขยับไปสู่การรักษาศี่แปดพอรักษาสีลแปดได้แล้วทีนี้เราจะมีเวลาว่างมีเวลาที่เราจะไปฝึกฝนอบรมจิตใจไปควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ พ, พอเรามีเวลาและถ้าเราเอาเวลาว่างนี้มาทํากิจกรรมนี้ เดี๋ยวจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวบังคับให้จิตใจสงบนั่นเองถ้าไม่มีสติก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกรถยนต์ที่ไม่มีเบรคนี้เราจะไม่สามารถที่จะสั่งให้มันหยุดเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดได้ถ้ามันวิ่งถ้ามันกำลังวิ่งอยู่เช่นวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดง ถ้าไม่มีเบรคนี้สั่งให้มันหยุดตรงสีแยกไฟแดงมันหยุดไม่ได้เพราะไม่มีเบรกรถเราจึงต้องมีเบรกกันพอรถเรามีเบรกเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดตรงไหนเราก็สั่งให้มันหยุดได้ด้วยการเหยียบเบรกใจของเราก็เหมือนรถยนต์นี่ใจของเรามันก็วิ่งไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆความคิดของเรานี่เป็นเหมือนรถวิ่งถ้าเราต้องการให้ความคิดหยุด ถ้าเราต้องการให้ใจสงบใจให้มีความสุขจากความสงบเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้การที่จะหยุดความคิดให้ได้เราก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็หยุดไม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดเราก็ต้องฝึกสติกันสร้างสติกันวิธีสร้างสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันท่านเรียกว่ากรรมฐานสี่สิท กรรมฐานนี้คือวิธีสร้างสติขึ้นมามีอยู่สี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบแต่เราไม่ต้องใช้ทั้งสี่สิบวิธีเวลาเราจะสร้างสตินี้เราเลือกวิธีใดที่เราเหมาะกับที่ง่ายกับเราที่เราสามารถสร้างสติขึ้นมาได้ก็ใช้ได้วิธีที่เราได้ถูกสอนมาที่ง่ายที่สุดสำหรับพวกเราก็คือ ให้เราเลกถึงพระพุทธเจ้านี่เองให้เราลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธให้เราบริกรรมคำว่าบริกรรมก็ให้นึกในใจแทนที่จะไปนึกถึงขนมนึกถึงที่เที่ยวนึกถึงที่กินที่ดื่มที่เล่นให้มานึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธแทนถ้าอยากจะให้ใจสงบถ้าเราปล่อยให้ไปนึกถึงที่เที่ยวที่กินที่เล่นมันก็จะพาเราไปกินไปเล่นเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราคิดถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธความคิดอื่นๆมันก็จะหายไปและจะหยุดไปพอความคิดต่างๆหยุดเราก็หยุดพุโทโธได้พอไม่ต้องคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรพอเราหยุดพุโทโธใจเราก็จะนิ่งจะสงบมีความสุขขึ้นมาถ้ายังนิ่งไม่สงบพอเราอาจจะต้องดูลมหายใจต่อไปก็ได้พุโทโธพุธโทโธแล้วมันยังไม่รวม แต่ไม่นไม่คิดอะไรเมื้อคิดน้อยถ้าเราจะพูดโทต่อก็ได้รเรื่องเล่าจะมาดูลมหายใจแทนก็ได้เอถ้าเราเพ่งดูลมหายใจอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะหายไปหมดมันจะหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วทีนี้ใจก็จะสงบเย็นสบายเกิดความสุขขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาเออ ใจก็จะเย็นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิพอเราได้สมาธิเราก็จะได้ความสุขแต่สมาธินี้ก็ยังเป็นของที่ไม่ถาวร เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายของเราต้องได้รับการดูแลเราเข้าสมาธิได้สักระยะหนึ่งเราก็ต้องออกมาเพราะร่างกายต้องการขยับเปลี่ยนเอริยาบทเพราะถ้านั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวมันก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้หรือร่างกายต้องการเติมน้ำเติมอาหารร่างกายต้องการขับถ่าย เราจึงไม่สามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาเพรนั้นพอเราออกจากสมาธิมาความสงบมันก็หายไปพอเราเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาความสงบที่ได้ก็จะหายไปถ้าอยากจะได้ความสงบใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ถ้าเราใช้สมาธิเป็นวิธีผลิตความสุขให้กับเราแต่พระพุทธเจ้านี้ท่งค้นพบอีกวิธีหนึ่งที่จะดีกว่าวิธีของสมาธิแต่ต้องทำต่อจากสมาธิคือถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดไปในทางความอยาก เพราะความอยากนี้แหละที่ทำให้ใจเราไม่สงบความคิดไปในทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับความอยากนี้จะไม่มาทำลายความสงบแต่ความคิดที่คิดไปในทางความอยากสามประการคือความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้ความอยากเป็นอยากมีความอยากไม่เป็นอยากไม่มีเรียกว่าตัณหาสามประการด้วยกันกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ตัญหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลถั่พะภาวะตัญหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตวิภวะตัญหาความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายความคิดความอยากแบบนี้สามประการนี้จะสร้างความทุกข์จะทําลายความสงบที่เราได้จากสมาธิ ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราอยากจะให้ความสงบของสมาธิอยู่กับ ใ, ใจเราต่อไปเราต้องคอยควบคุมความคิดความอยากสามประการนี้อย่าให้มันคิดไปในทางกามตันหาอย่าให้มันคิดไปในทางภาวะตันหาอย่าให้มันคิดไปในทางวิภาวะตันหาจะทำยังไงจะทาไม่ให้มันคิดก็ต้องให้มันคิดให้มันเห็นว่าคิดไปในทางนี้แล้วมันมีแต่ผลเสียหาย เช่นถ้าเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็ให้มันคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วถ้าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่มันไม่สุขไปตลอดเดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมมันต้องหมดพอเวลามันเสื่อมมันหมดความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันจะไม่เป็นของเราไปตลอดน ให้ค like ิดอย่างนี้เวลาเราคิดถึงกามรรติหาการคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเราคิดถึงความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราคิดถึงแฟนอยากจะได้แฟนเราก็ต้องคิดว่าเขาเป็นอสุภะเขาไม่สวยอย่างที่เราคิดหรอกเขามีส่วนที่ไม่สวยที่เรามองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขานี่เอง ถ้าเราหัดมองภายเข้าไปภายใต้ผิวหนังของเขาได้ต่อไปเราก็จะเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามเราก็จะหยุดความอยากได้เขามาเป็นแฟนได้ถ้าเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องคิดว่าร่างกายมันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะหยุดคิดไปในทางการมตัทนาภาวะตันหาและวิภวะตันหาได้พอเราหยุดคิดไปในทางที่ทางเหล่านี้แล้วความความสงบที่เราได้จากสมาธิจะไม่มีวันหายไปเราไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก็ได้พะเมื่อเราได้สมาธิได้ความสงบแล้วถ้าเราคอยกาจัดตัวที่มาคอยทำลายความสงบนี้ ใจของเราก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยพอเรากําจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ใจเราก็จะสงบไปตลอดเป็นบรลลป ม, มสุขขึ้นมาตลอดเวลาเราเรียกใจนี้ว่านิพพานนั่นเองนิบานังปรเมังสุขขังเนี่ยใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามนี้เป็นใจที่มีแต่บรลลป ม, มสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปเป็นใจที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายอีกต่อไป เป็นเมื่อไม่ต้องอาศัยร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมืออีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างถาวรอยู่แบบไม่เกิดแก่เจ็บตายดีกว่าอยู่แบบเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเอาเวลาว่างของเหานี้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกัน เมื่อเราได้ความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเราจะได้มาปรับทิศทางการดำเนินชีวิตของเราให้พาชีวิตของเราไปในทิศทางที่เราต้องการกันคือไปสู่ความสุขที่แท้จริงกันไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงกันก็ขอให้ท่านจงนําเอาทาที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและการสื้นสุดของความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกับปฏิอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาายุสุขีทีตายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุทฒาปจายโน จตารุธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็ดีหรือที่ยังไม่ได้ยินได้ฟัง อยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ a c e b o o สามร้อยสิบหกค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าทางวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดผู้รับฟังบนเขาเก้าสิบรวมทั้งหมดหกร้อยแปดคนค่ะ มีคำถามก็วันนี้ขอต้อนรับผู้อ่านคนเก่าคนเดิมที่หายไปเป็นพักใหญ่คำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่ลูกตั้งใจทำอาหารต้มยำปลากะตรองเป็นอาหารที่ทำไม่เก่งแต่พยายามจะทำซึ่งเป็นอาหารที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีถวายพระสงฆ์ แต่พระท่านไม่ค่อยได้ฉันจึงมีคนติงว่าอาหารนั้นบ้า น, านมากเกินไปไม่ควรทำมาลูกรู้สึกเสียกำลังใจไปบ้างจะมีวิธีทำใจอย่างไรคะและคนที่เขาว่าเราทำให้เราเสียกำลังใจเขาจะได้รับผลอย่างไรใหม่คะคือเราทำอะไรก็ทำไปตามกำลังของเราแล้วผลมันเป็นยังไงเราก็รับรู้ไว้ก็แล้ว ก, กัน เช่นเราทําอาหารที่ไม่น่ากินก็ไม่มีคนกินก็อย่าไปโทษคนกินเขาเพราะคนกินเขาก็ยังมีกิเลสเหมือนเราอยู่เขาก็อยากจะกินอาหารที่น่ากินเมื่ออาหารของเราไม่น่ากินเขาก็ไม่กินถ้าอยากจะให้เขากินก็ลองไปหัดทําอาหารที่มันน่ากินดูถ้าทําไม่ได้ก็ถอยอย่างอื่นก็ได้ของอย่างอื่นที่เขาอยากได้มีอ่ นอกจากอาหารแล้วผ้าท่านก็ยังต้องใช้อย่างอื่นมีข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ได้หรือทำของที่ถ้าเราทำเองไม่ได้ก็ซื้อของที่เขาทำแล้วสิไปซื้อของที่ร้านอร่อยอร่อยมาถวายก็มันก็ได้บุญเหมือนกันถ้ามีปัญหาเรื่องอาหารก็ไม่เป็นไรถวายเงินใส่ รัวบริจาคไปก็ได้อันนี้ทางว้ดเขายินดีเขารับไว้หมดเขาไม่ลังเกียดเลยถ้าเป็นเงินเป็นทองเพราะเงินทองเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกสามารถเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่างๆได้ไม่มีค่าน้ำก็จ่ายค่าน้ำได้ไม่มีค่าไฟก็จ่ายค่าไฟได้ถ้าหลังคารั่วต้องจ้างสร้างต้องจ้างช่างมาซ่อมก็มีเงินจ่ายค่าจ้าง งั้นถ้าเราอยากจะให้ทางวัดหรือพระได้ยินดีกับของที่เราให้ก็ถวายเงินไปนั่นแหะเป็นเจ้าสารพัดนึกเป็นของที่วิเศษที่สุดในบรรดาของที่เราจะถวายให้เพราะทุกๆคนนี้ชอบเงินชอบทองกันทั้งนั้นไม่มีใครรังเกียจเลยอันนี้อย่าไปพูดว่าเราอยากได้เงินทองนะอ้านี่เราพูดต า, ตามความเป็นจริง แต่เราไม่เคยขอนะว่าใครจะให้เงินทองหรือไม่ให้ให้ของกินน่ากินหรือไม่กินเราไม่เราไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้แต่พูดตามภาษาตามหลักเหตุหลักผลตามความคิดของเราของชาวบ้านมันก็ต้องคิดอย่างนี้ถ้าหนูอยากจะให้คนเขาอยากได้ของที่หนูให้หนูก็ต้องคิดต้องคิดก่อนด้ว่าเขาอยากได้อะไรใช่ไหม ถ้าเขาอยากได้แล้วเราให้ของที่เขาอยากได้เดี๋ยวเขาก็แย่งกันเนี่ยแต่ถ้าไปให้ของที่เขาไม่อยากได้ก็ไม่มีใครก็แย่งกันไม่มีใครเขาอยากได้อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาของโลกของคนที่ยังมีกิเลสอย่างพวกเราอยู่มันก็ยังมีที่รักมีที่ชังอยู่ถ้าอยากจะให้เขารักเราเราก็ทำตัวให้เราน่ารักให้ของที่เขาอยากได้เขาก็จะรักเราถ้าไปให้ของที่เขาไม่อยากได้เขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่รักเรา อันนี้พูดตามเหตุตามผลนะอย่าบาพูดว่าเราพูดเลียยายหรือขอให้ถวายของเงินของนี้นะไม่ไม่ต้องทําตามที่เราพูดนะถ้าจะถวายก็ไปถวายที่อื่นจะได้เราจะได้ไม่ถูกกรณีเขากล่าวร้ายอีกหาว่าพูดเลียยายหาเงินหาทองอีกอเชิญครับกับกมรมการพระอาจารย์ครับคือผมขอคาที่แนจะจากพระอาจารย์ครับ หลังจากผมนั่งกรรมฐานแล้วออกจากกรรมฐานเนี่ยผมค่อนข้างจะรู้ลมหายใจเข้าอกในขณะที่ออกจากกรรมฐานเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นของการวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ก็อยู่สติไงเรายังดูดูลมหายใจต่อครับเนีคือลมหลังจากออกกรรมฐานเนี่ยลมหายใจ ผมจะรู้ลมหายใจต่อเวลาหลังจากออกอครับครับมีสติอยู่ก็เรียกอาณาปณะสติยังไม่ได้เป็นครับยังไม่ได้เป็นวิปัสนาเป็นกรรมฐานอย่างการเจริญสมถะ ภ, ภาวนาอยู่ครับควบคุมใจให้สงบด้วยสติแต่ไม่ได้ด้วยปัญญาถ้าด้วยปัญญาก็ต้องพิจารณาลมหายใจว่าเป็นไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายอย่งนี้เรียกว่าเป็นวิปัสนา คือสรุปแล้วหลังจาก อ, อกกรรมาฐานแล้วผมก็ดูลมหายใจให้สร้างสติให้เป็นภะละให้ได้ถูกต้องเลยถ้าสติยังน้อยก็สร้างให้เป็นภะละก่อนถ้าสติเต็มร้อยแล้วก็มาสร้างปัญญาต่อครับมาวิจารณาร่างกายเดี๋ยวพอมันไม่หายใจก็ตายครับถ้าสร้างสติเก่งกล้าขึ้นแล้วผมก็ดูลมหายใจเข้าออกด้วยว่ามันเป็นเวทนา หรอทุกเวทนาสุขเวทนาไปเรื่อยๆไม่ถ้าดูมันก็ดูว่ามันมีเข้ามีออกมันไม่เที่ยงครับถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกก็ตายครับตายก็อย่าไปวุ่นวายมันเราไม่ได้ตายไปกับมันครับให้รู้ว่าร่างกายมันต้องตายวิธีตายก็คือไม่หายใจนั่นเองครับผมให้รู้อย่างนี้แล้วเวลาตายจะไม่ตื่นเต้นตกใจครับมันไม่เกี่ยวกับเวทนาเวทนาก็ต้องเวลามันเกิดความเจ็บแล้วก็พิจารณาว่าเนี่มันเจ็บแล้วจะให้มันหายมันก็ไม่หายอ ถ้ามันจะหายมันเดี๋ยวมันหายเองอย่าไปยุ่งกับมันถ้าไปอยากแล้วมันจะทรมานถ้าไม่อยากแล้วมันจะไม่ทรมานครับาาสาทุครับเป็นเรื่องๆไปเข้าใจมันเข้าใจแล้วครับ อ, อย่าสับสนเอาหมูเอาแพะมาชนแกะแล้วพูดเดี๋ยวมันมีมีเด็กก็จะขอไมโครโฟนหลวงตาครับพุทโธคืออะไรเหรอครับทำไมเราต้องท่องพุทโธว่า พ, พุทโธท่องเราจะทําให้เรามีความสุข เวลาเราไปคิดถึงขนมคิดถึงเกมแล้วเราไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ขนมเราจะเสียใจัหยแต่ถ้าเราคิดพุทโธพุทโธแล้วเราจะไม่มีความอยากเล่นเกมไม่อยากจะได้อะไรเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะมีแต่ความสบายใจมีความสุขใจถ้าอยากจะมีความสุขใจให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเกมอย่าไปคิดถึงของเล่นอย่าไปคิดถึงที่เที่ยวพอคิดแล้วมันอยากจะไป พอแม่พ่อแม่ไม่พาไปเราก็เสียใจแต่ถ้าเราคิดพุดโทโธพุโทโธไปเราจะไม่อยากไปไหนอยู่บ้านสบายมีความสุขพ่อแม่จะพาไปไหนไม่พาไปไหนเราก็ไม่เสียใจเข้าใจนะเข้าใจแล้วพยายามพุโทโธไปนะถ้าหนูพุโทโธได้หนูไม่ต้องมีไม่หนูไม่ต้องมีอะไรหนูก็มีความสุขได้คําถามจากทางบ้านจากคุณนะโม เคยได้ยินในตำราว่าพระโสดาบันท่านรักศีลของท่านมากมากถึงขนาดยอมให้ตัวตายดีกว่าศีลขาดเลยอยากถามว่าเพราะเหตุใดพระโสดาบันท่านจึงมีความเห็นเช่นนั้นครับเพราะท่านเห็นว่าศีลถ้าไปทําบาปไปละเมิดศีลนี้มันมีโทษมากกว่าการตายคามตายนี้มันไม่มันถึงเวลามันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าระหว่าง ความตายกับาการไปทำบาปนี้ถ้าไปทาบาปมันจะขาดทุนถ้าปล่อยให้ตายมันจะไม่ขาดทุนคือใายไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปแล้วเวลาตายไปต้องไปเกิดในอบายเห็นท่านเห็นว่าความตายนี้มันจะทำบาปหรือไม่ทำบาปมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแต่ถ้าทำบาปก็ต้องไปรับโทษตายไปต้องไปเกิดในอบาย ถ้าไม่ทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายท่านก็เลยไม่ทำบาปดีกว่าคำถามจากคุณสุปราณีถือศีลแปดแต่แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านได้ไหมคะและหลังเที่ยงแล้วกลมลูกกมลมด้วยได้ไหมคะแต่งตัวสวยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องการจะเลิกไม่ต้องการให้เราไปให้ความสำคัญกับร่างกาย ร่างกายเพียงแต่ให้มันสะอาดใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยสะอาดก็พอไม่ต้องเสริมความงามต่างๆแล้วก็อมอะไรนี่ก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราอมนี่เป็นเป็นสิ่งที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตสิ่งที่เราอมได้ก็คือพวกน้ำตาลนี่ถ้าไปอมพวกเป็นนมนี่ไม่ได้เพราะอะไรขนมที่มีนมผสมแล้วอมนี่ถือว่าถือว่าเรากินนมนมนี่ถือว่าเป็นอาหาร แต่ถ้าเป็นพวกขนมที่ไม่มีน้ำตามีแต่น้ำตาลไม่มีนไ ม, มนไม่มีอะไรก็อมได้แต่ไม่ควรที่จะอมถ้าไม่มีความจำเป็นต้องอมเพราะการอมมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่ยังติดอยู่กับรสของความหวานของขนมอยู่เราถือสินแตกเพื่อละการหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นก็ไม่ต้องอมอะไร จมูกก็ไม่ให้ดมอะไรตาก็ไม่ให้ดูล่างกายที่สวยงามด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเราถึงต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมแต่งตัวสวยขนาดไหนเดี๋ยวเวลาอาบน้าล้างหน้ามันก็หายไปหมดแล้วเวลานอนตื่นขึ้นมาก็ขีตาก็เต็มหน้าผมเเผก็รกลุงรังเหมือนเดิม งั้อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขเหล่านี้เอาเวลามาหาความสุขจากการมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธจะดีกว่าคำถามจากคุณพรสวรรค์แม่ของดิฉันมีความฝังใจว่าถ้าทําบุญถวายพระด้วยอาหารอะไรเมื่อตายไปก็จะได้กินอาหารนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าคะน่าจะจริงเนะเพราะว่าเราทําอะไรมันจะบันทึกไว้ในใจเราไง และเวลาเร า, เรานอนหลับหรือเวลาเราตายไปสิ่งที่เรามันเทกไว้ในใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นภาพฝันเนี่ยเวลาเรานอนหลับเราฝันว่าเราเอาไปซื้อของอะไรดีๆถวายคนนั้นคนนี้ให้คนนั้นคนนี้เวลาเรานอนหลับมันก็จะฝันไปว่ามีคนเอาของดีๆที่เราเคยให้คนนั้นคนนี้มาให้เรายันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ต้องรอตอนที่เราหลับหรือตอนที่เราตาย อนที่เราตื่นอาจจะไม่มีใครซื้อของที่เราถวายดีๆให้กับพระมาให้เราก็ได้ถ้าอย่างน้อยก็ไม่ในชาตินี้อาจจะไม่มีแต่ชาติหน้าก็ไม่นะชาติหน้าถ้าเราเคยถวายของดีๆในชาติก่อนเดี๋ยวของดีๆในชาติหน้ามันจะกลับมาหาเราก็ได้คําถามจากคุณเห็นทุกเห็นธรรมคนเรามาอยู่เป็นคู่กันมีแต่ความทุกข์แล้วยังไม่แยกจากกัน อันนี้เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมใช่ไหมคะถ้าเราทำบุญส่งบุญให้เขาเพื่อจะได้จากกันไปด้วยดีได้ไหมคะอ๋อวิธีจะจากกันด้วยดีแล้วก็อย่าไปทำตัวให้เราน่ารักสิทำตัวเราให้น่าเกลียดอย่าอย่าแต่งตัวอย่าอบน้ำอาบท่าเราไม่อาบน้ำสักสักเดือนหนึ่งดูเดี๋ยว ก, ก็ขอลาจากเราไป ทำตัวเราเป็นเหมือนคนบ้าท่นหน่อยคนเสียสติท่นหน่อยเดี๋ยวก็ไปเองทำบุญไม่ได้ทำบุญไล่เขาไปไม่ได้หรอกยิ่งทำบุญให้เขาเขายิ่งรักเราใหญ่เขายิ่งชอบเราใหญ่เรนถ้าไม่อยากให้เขารักเราเราต้องทำตัวให้เราไม่เป็นที่น่ารักอย่าแปลงฟันคอยอมกระเทียมอยู่เรื่อยๆ <laughs> กินกระเทียมเวลาคูดออกมาจะได้มีกลิ่นปากเหม็นเดี๋ยวเขาจอยู่ใกล้เราไม่ได้ คำถามจากอุบาสกพงศ์พระพุทธรูปในห้องพระที่บ้านควรหันหน้าไปทางทิศไหนดีครับทิศไหนที่สวยงามที่เหมาะสมก็หันไปทางทิศนั้นก็แล้วกันทิศไม่สําคัญสําคัญที่ความที่เราคิดว่ามันเหมาะสมว่าควรจะหันไปในทางทิศไหนก็หันไปในทางทิศนั้นก็แล้วกันคําถามจากคุณหมดอยากก็หมดทุกกระผมพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เป็นปกติ และรักษาศีลแปดในวันพระและปฏิบัติวิปัสนาเกือบทุกวันแทบไม่เคยขาดเลยแต่การทำภารกิจประจำวันเช่นการทำงานที่พยายามทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัทบางครั้งก็ต้องไปทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่พอใจหรือพวนดินปลูกต้นไม้ที่บ้านก็ทำให้สัตว์บางชนิดบาดเจ็บหรือตายโดยไม่ตั้งใจการทาลักษณะนี้ เป็นการผิดศีลหรือไม่อย่างไรขอรับถ้าเป็นการทำด้วยความจงใจก็ยังผิดศีลอยู่คือรู้ว่าถ้าเราไปขุดดินแล้วไปทำให้สัตว์ตายเราก็อย่าไปขุดถ้าขุดแล้วสัตว์ตายก็แสดงว่าเรามีความจงใจถึงแม้จะไม่ตั้งใจให้เขาตายแต่เรามีจงใจที่จะขุดดินแล้วเราก็รู้ว่าการขุดดินนี้อาจจะทำให้สัตว์ตายได้ เราก็ไม่ควรที่จะกระทาก็อย่าไปทํามันก็แล้วกันถ้าจะขุดดินก็ให้คนที่เขาไม่รักษาศีลขุดไปก็ได้จ้างเข้ามาเขายินดีเพราะเขาไม่ได้รักษาศีลเขาไม่สนใจเรื่องศีลก็เป็นเรื่องของเขาไปเขาเขาสนใจเรื่องเงินก็ให้เงินเข้าไปถ้าเราจําเป็นจะต้องขุดดินแล้วเรากลัวว่าเราจะผิดศีลเราก็ไปไหว้วานหรือจ้างคนที่เขาไม่ได้รักษาศีล ถ้าเขายินดีก็ให้ค่าจ้างเขาไปถ้าเขาไม่ยินดีก็ไม่อยากไปบังคับเขาก็แล้วกันหลวงพ่อคะแล้วส่วนที่เขาบอกว่าทําตามระเบียบบริษัทแล้วทำให้คนอื่นไม่พอใจล่ะคะก็เป็น<ำ>เรื่องของที่เราช่วยไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเป็นกฎระเบียบเช่นเราระเบียบก็ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในที่ทํางานเรา ม, มีหน้าที่มาคอยห้าม พอบอกเขาก็ไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่ก็อย่าไปบอกคำถามจากคุณติ้ง SD ดีเมื่อเราเจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงให้ปฏิบัติทำอย่างไรได้บ้างครับก็ทำสติไงทำใจให้สงบเจริญปัญญาทำได้ทั้งสามอย่างสติปัญญา ศีลเราก็ทําได้นะเวลานอนอยู่บนเตียงไม่ทำบาปก้อนใดก้อหนึ่งนะศีลแปดศีลสองอยยี่สิบนี้รักษาได้หมดเวลาป่วยเนี่ยเหลือแต่สติสมาธิปัญญาถ้าไม่มีสติก็พยายามพุทโธพุทโธดึงจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้จิตเข้าสู่ความสงบก็จะได้สมาธิถ้าได้สมาธิก็ไปทางปัญญาสารใจให้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วอย่าไปอยากให้อยู่ร่วมกันเพราะถ้าอยากแล้วเวลาไม่ได้อยู่แล้วมันจะทุกข์ทรมานใจถ้าถึงเวลาร่างกายจะตายก็ให้เขาตายไปปล่อยวางร่างกายเพราะเขาไม่ได้เป็นของเราเขาต้องตายอย่างแน่นอนเราห้ามไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายกับความตายของร่างกายหลวงพ่อเจ้าคาแล้วคนอย่างที่ตอนปกติ เป็นคนปกติยังไม่เจ็บป่วยอะค่ะทำบุญตลอดเวลาแต่พอ lever. นอนเป็นคนติดเตียงปุ๊บอะก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้ผิดศีลเลยอะไรเงี้ยพอตายไปแล้วมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสวรรค์ไหมคะก็<ม> <girlfriend> ตอนนั้นเขาไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าก่อนที่เข้ามาไม่สบายถ้าก็ยังทำบาปอยู่ก็แล้วแต่ว่าบุญกับบาปที่เขาทำตอนก่อนที่เขาจะมาไม่สบายนี้อันไหนมันมากกว่ากัน ถ้าทำบาปม า, มากกว่าทำบุญก็ลตายไปบาปมันก็จะดึงไปทางอบายก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางบุญไปทางสวรรค์ขอบคุณค่ะคำถามจากคุณบุญเสริมร่างกายข อ, ของคนเราไม่เที่ยงแล้วจิตใจเที่ยงไหมครับจิตใจเที่ยงคือจิตใจไม่ตายเหมือนร่างกายจิตใจนี่<ม>เปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านล่างนะเปลี่ยนไปเรื่อย พอความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขคำถามจากคุณวิชยัยทำทานคือการเสียสละเงินหรือการทำงานเพื่อสังคมการทำทานผู้ให้ตัวเรามีความสุขเราก็ได้บุญและผู้รับยิ่งถ้าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนบุญจะยิ่งเพิ่มขึ้นใหม่เจ้าคะบุญเท่ากันไม่ว่าจะให้กับใคร แต่เราจะได้บุญบุญเสริมของแถมมาจากถ้าเราทําบุญกับพระนี่เราจะได้ธรรมะถ้าเราทําบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะเราก็จะได้เพียงแต่บุญอย่างเดียวได้ความสุขใจอย่างเดียวแต่ถ้าเราทําบุญกับพระที่มีธรรมะเราก็จะได้ของแถมเหมือนกับเราไปเติมน้ํามันตามสถานีบริการบางสถานีเขาก็มีของแถมบางสถานีก็ไม่มี บางสถานีก็มีแจกผ้าบ้างแจกปากกาบ้างแจกดินสอแจกยาสีฟันแปรงสีฟันเนะยบางสถานีก็มีแต่น้ามันอย่างเดียวทำบุญก็เหมือนกับการไปเติมน้ำมันส่วนสถานีคือคนที่เราไปทำบุญด้วยเขามีอะไรเขาก็อาจจะให้เรามาไปทำบุญกับวดัดบางวัดเขาก็มีวัตถุมงคลแจกกลับมา ถ้าไปทำบุญกับที่โรงเรียนก็คงจะไม่มีวัตถุมงคลแจกแล้วแต่สถานที่นี่คือบุญเสริมบุญที่เราจะได้รับจากผู้ให้เราแต่บุญหลักบุญที่เราได้จากการเสียสละนี้เหมือนกันถ้าปริมาณเงินเท่ากันเสียสละร้อยบาทไม่ว่าจะให้พระสุปฏิปันโนหรือให้ขอทานก็ได้บุญเท่ากันบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินนี้ได้เท่ากัน แต่สิ่งที่เราได้รับจากพระสุปฏิปันโนกับขอทานนี้ต่างกันคำถามจากคุณปูเมื่อร่างกายแตกดับแล้วคำว่าจิตวิญญาณไปจุติในชั้นพรมนั้นแปลว่าอะไรเจ้าคะก็แปลว่าจิตตอนนั้นอยู่ในระดับพรมก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเราจะฝันหลายระดับด้วยกันฝันเรื่องที่ที่มีความสุขมากฝันเรื่องที่มีความสุขน้อย อันนี้ก็เป็นระดับของสวรรค์ชั้นต่างๆคือความสุขชั้นต่างๆถ้าเราฝันที่มีความสุขน้อยก็อยู่ระดับเทพฝันที่มีความสุขมากคือไม่ฝันเลยมีแต่ความสงบนิ่งก็ไปอยู่ระดับพรมอันนี้เป็นเรื่องของจิตเวลาที่ไม่มีร่างกายจะเป็นอย่างนี้และปฏิบัติอย่างไรถึงได้จุติในชั้นพรมเจ้าคะก็ต้องฝึกสมาธินั่นเอง ถ้าได้ฌานรูปฌานสี่ก็ได้สวรรค์ชั้นผมที่เรียกว่ารูปประรมถ้าได้ฌานแปดฌานห้าถึงฌานแปดก็เรียกว่าอารูปประพมคำถามจากคุณนัลมลคุณพ่อเสียชีวิตไปเจ็ดปีแล้วแต่คุณแม่ยังทำบุญไปให้สม่ำเสมออยากทราบว่าจะถึงคุณพ่อไหมเจ้าคะไม่แน่ถ้าคุณพ่อไปไปรับบุญ ถ้าคุณพ่อมีบุญมากกว่าที่บุญเราส่งไปคุณพ่อก็ไม่มารอรับบุญแต่ถ้าคุณพ่อขาดบุญเมื่อไหร่เหมือนคนที่ไปเที่ยวแล้วเงินหมดเก็จะอาจจะกลับมาของเงินที่บ้านแต่ถ้าไปเที่ยวแล้วไป ล, ไปล่ําไปรวยไปไปได้เงินได้ทองก็ไม่เสียเวลากลับมาของเงินที่บ้า น, น, นก็อยู่ที่ดวงวิญญาณเขาว่าเวลาเขาไปเขาไม่บุญติดตัวไปมากน้อยถ้ามีมากเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญ ถ้ามีน้อยไม่พอเขาก็อาจจะมาลอับส่วนบุญได้คำถามจ้าคุณปาริชาติหากตายแล้วไปเกิดใหม่ในสวรรค์หรือนรกเราจะสามารถจำอดีตได้ไหมคะก็ตอนนั้นมันจะอยู่ในช่วงของความฝันไงเราก็อาจจะฝันถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆคำถามจ้าคุณโอปอ เมื่อมีสิ่งมากระทบใจทั้งโลภโกรธหลงพอเรารู้ตัวก็รีบพุทโธและเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะมาพิจารณาบางครั้งสงบเร็วบางครั้งสงบชา้าไม่ทราบว่าที่ลูกทำถูกต้องไหมคะและเมื่อทำไปนานๆจะตัดตัณหาทั้งปวงได้ไหมคะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเวลาเกิดตัณหามันเกิดตัณหาชนิดไหน เนอากาศเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราใช้ยาที่ถูกกับโรคมันก็หายเร็วถ้าไปใช้ยาที่ไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายเรื้อหายชา้าเช่นไปปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องให้มันไม่หายสทัทีเอ็นบางทีเราใช้กรรมฐานหลายอย่างมัว่วกันไปหมดนี่เอาทั้งพุทโธเอาทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาทั้งอสุภะโดยที่ไม่รู้ว่าปัญหามันเป็นตัวไหนเ มันก็อาจจะหายเร็วหายช้าหรืออาจจะไม่หายก็ได้หรืออาจจะหายเพราะสติไม่ได้หายด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ดูว่าตัณหามันเป็นตัวไหนแล้วต้องใช้ปัญญาตัวไหนมาแก้คำถามจาคุณพีโกเราเวียนไหวาตายเกิดมากกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไม่เวียนไหวาตายเกิดแล้ว แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็เวียนว่ายตายเกิดเท่าๆกันเนี่ยแต่พอพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วเทนี้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเรายังไม่หยุดเนี่ยเหมือนคนที่วิ่งรอบสนามเหมือนคนขับรถแข่งอ่ะคนที่เขาหยุดรถแล้วเขาก็ไม่วิ่งรอบสนามแล้วใช่ไหมแต่พวกที่ยังไม่หยุดมันก็วิ่งรอบของมันต่อไปรอบที่หนึ่งแล้วกลับไปรอบที่สองรอบที่สามมันก็วิ่งของมันอยู่เรื่อย คำถามจากคุณกีรติแม่ลูกสี่คนแต่มีหนึ่งคนที่สร้างความเดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจแม่ตลอดเวลาทำให้เราทุกข์มากเพราะเราเป็นห่วงแม่ควรให้คิดอย่างไรเพื่อให้แม่กับเราไม่ทุกข์ครับก็เป็นเรื่องของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะดีอยากจะเชื่อก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาดีเขาชื่อไปเราก็จะไม่ทุกข์ ที่เราทุกเพราะเราอยากให้เขาดีอยากให้เข า, เาไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไปในทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็เสียใจเนี่ยเราต้องทำใจสอนใจว่าเป็นเรื่องเป็นกรรมของเขาเขามีเขาเคยทากรรมมันใดไว้เขาก็ต้องมาทำกรรมนั้นต่อเคยทำดีก็จะมาทำดีต่อทำชั่วก็จะมาทำชั่วต่อเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง เขาต้องบังคับเข้าถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนคำถามจากคุณสุชาดาการนั่งสมาธิกับการสวดมนต์มีความแตกต่างอย่างไรในแง่สมาธิคะหนูเคยอ่านผลวิจัยนักศึกษาการนั่งสมาธิจิตจะเป็นสมาธิช่วงแรกส่วนการสวดมนต์จิตจะเป็นสมาธิหลังจากผ่านช่วงแรกมาเราสามารถเลือกได้ตามถนัดใช่ไหมเจ้าคะ ข อ, อการสวดมนต์นี้มันจะเป็นการทําความสงบในเบื้องต้นที่หยาบ ก, กว่าความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิบางทีตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธิเรานั่งไม่ได้เพราะใจเราฟุง้งเราก็เลยต้องอาศัยการสวดมนเพื่อทําให้ใจหายฟุ้งก่อนแล้วเราถึงค่อยมานั่งสมาธิต่อได้มันเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพูดง่ายๆถ้าเรา ผ่านขั้นที่หนึ่งได้ไม่ต้องสวดมนต์เรานั่งล้วดูลมได้แล้วก็นั่งไปเลยถ้านั่งดูลมแล้วใจยังฟุ้งอยู่ก็มาสวดมนต์ก่อนให้หายฟุ้งก่อนแล้วค่อยมาดูลมต่อคำถามจากคุณลงศาก์ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตสงบพอออกมาแล้วก็บังคับใจเอาไว้ที่สติตัวผู้รู้หาอุบายมาคุมจิตไว้ทั้งอสุภะทั้งมรานานุสติ ทั้งอันนี้จศาสตร์อนัตตศาสตร์แต่ไม่เคยเห็นกายทิพย์เลยครับแบบนี้ถูกไหมครับเป็นทางพ้นทุกข์หรือยังครับถ้าหยุดความทุกข์ได้ก็พ้นทุกข์เราไม่ได้ทําเพื่อให้เห็นกายทิพย์เราทําเพื่อหยุดกิเลสตัณหาที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราใช้ธรรมะธรรมะคือสติปัญญาเราก็สามารถที่จะกําจัดกิเลสตัณหา พอกำจัดได้ความทุกข์ก็จะหายไปคำถามจากคุณชีวนุ์เมื่อเรามีตัวรู้จนถึงเบื่อแล้วเบื่อจนเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจนรู้สึกถึงสภาวะอารมณ์ที่เฉยๆแล้วทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเมตตาไม่มีประมาณแล้วแล้วรักษาสภาวะเอาไว้เรื่อยๆ ใช่ไหมเจ้าคะรักษาสภาวะที่ดีของจิตใจรักษาอุเบกขารักษาเมตตากรุณามุดิตาไว้คำถามจากคุณอุบาสกพงษ์ถามต่อจากการขุดดินครับถ้าเราจ้างคนที่ไม่มีศีลไปขุดดินแทนเราเพราะกลัวโดนสว์ตายเราไม่บาปใช่ไหมครับเพราะเราจ้างขาทาครับถ้าเราจ้างโดยที่เราไม่ไปสั่งเขา คือเราคุยกับเขาถามเขาว่าเราทำไม่ได้คุณยินดีจะทำไหมถ้าคุณไม่ยินดีก็อย่าทำแต่เราไม่สั่งนะเพียงแต่ปรึกษาหารือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กังวลกับเรื่องการขุดดินว่าอาจจะเป็นฆ่าสัตว์หรือไม่คุณยินดีอยากจะรับจ้างก็ทำไปแต่ไม่สั่งนั้นต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าสั่งก็ผิดเหมือนกันสั่งให้เขาทำก็ดีทาเองก็ดีก็ผิด แต่ถ้าเขาทำด้วยความความยินดีของเขาเองเช่นบริษัทข้าปลวกนี่เขายินดีเพียงแต่บอกเขาว่าบ้านขึ้นปลวกเขาจะรีบมาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปขอร้องไปสั่งเขาถ้าเขามาด้วยความยินดีอันนี้เราก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าพี่มาช่วยทำให้หน่อยนะช่วยจัดการให้หน่อยเงี้ยบาปทำเองก็ดีสั่งให้เขาทำก็ดีก็บาป ตอนนี้คถามหมดจะฆาหลวงพ่ อ, อก็หมดเวลาพอดีนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิเิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ